ชนกกรรมอันนำไปเกิดนึกถึงความดีที่เป็นบุญเป็นกุศลในขณะก่อนจะดับจิตจิตก็จะไปสู่สุขคตินำกายไปสุขคติด้วยนึกถึงความไม่ดีที่เป็นบาปเป็นอกุศลในขณะก่อนจะดับจิตจิตก็จะไปสู่ทุกขตินำกายไปทุกขติด้วย